การฝึก ส, สติให้รู้ในขั้นนี้อย่างจริงจังจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะสําหรับคนเมืองที่ยังต้องทํางานวุ่นวายต้องเสียคุณภาพจิตให้กับการเจรจาทั้งวันหากจะหยุดระหว่างเจรจาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างอาการพูดกับอาการนิ่งบ่อยๆอย่างน้อยก็เกิดการดึงสภาพรู้กลับมาตั้งหลักเป็นพักๆไม่หลุดลอยไปกับภาระการงานจนคุณเกินเรียกสติมาตั้งอยู่กับฐาน อันปราศจากโทษลักษณะของสัมปชัญญะที่เป็นธรรมชาติถ้าปฏิบัติได้ผลก็จะเห็นว่าสติรวมศูนย์อยู่ตรงกลางกลางรวมที่จิตมีความวิเวกนิ่มนวลปร่งเบาล่มใจไร้กังวลรวมทั้งไร้มโนภาพหน้าตาตัวตนของใครเรื่องอะไรในโลกก็ดูไร้แก่นสารเพราะใจเราพออยู่กับความรู้อาการเคลื่อนไหวของกายเสียหมดนั่นหมายความว่าเราเรียน เรามีความพอใจที่จะรู้ตามจริงไปหมดในส่วนใดต้องขยับต้องเยื้องย่างล้วนถูกเห็นเป็นเครื่องกระตุน้นความรู้ตัวไปทั้งสิ้นไม่ใช่ว่ามีการฝืนใจจดจ่องทุกขยับเหมือนสมัยที่สติยังอ่อนปวกเปียกลักษณะของเจตที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะจะโฟกัสกับอะไรต่ออะไรได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งเมื่อย้อนกลับไปทาสมาธิแบบตามรู้ลมในอนาปานบัป ก็ย่อมได้ผลเป็นความสุขสว่างยิ่งเนิ่นนานยั่งเยืนนั่นอาจสะท้อนว่าเราเริ่มมีสมาธิเป็นปกติอยู่ตัวอาศัยรายละเอียดความเคลื่อนไหวทั้งปวงของกายนั่นเองเป็นอารมณ์สมาธิตลอดทั้งวันแรกๆอาจจะเป็นที่แปลกใจว่าหลับตาหรือลืมตาตื่นขยับนิดขยับหน่อยทำไมถึงรู้ชัดไปหมดกับทั้งรูละเอียดเข้าไปในขณะอย่างไม่เคยมีมาก่อน ว่าเมื่อเคยชินแล้วก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งกับตระหนักว่าอาการรู้ละเอียดยิบไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะสําหรับนักภาวนาที่ยังต้องแบกภาระเกี่ยวกับโลกและผู้คนอยู่สติดีได้ก็เหลีวได้ตามวาระหากมีสัมปชัญญะอย่างถูกต้อง โรคเก่าๆทั้งกายและจิตหลายประเภทจะชะงักงันอยู่ดับสู์ไปจากเราอย่างสิ้นเชิงเช่นเมื่อกระามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเครียดเกรงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจิตก็จะไหวรู้ทันใดเมื่อรู้อย่างนี้สัมปชัญญะรู้ตำแหน่งของความเครียดอยู่ว่าณจุดใดของกายโดยรวมย่อมไม่เกิดความปรุงแต่งส่งเสริมความเครียดเกรงแต่จะรู้และปล่อยให้คลายลง ตามธรรมชาติพูดง่ายๆว่าไหวทันตอนเริ่มเครียดกกร่งและจิตหยุดสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเครียดกริงนั้นเสียโดยหันเหอาการมารู้อย่างเป็นสัมพัชัญญะเสียแทนไม่แค่เกริงได้บ่อยๆให้เกิดความเบากายเบาใจเป็นรางวัลแก่ตนเองแล้วเมื่อนั่งหรือยืนตามปกติบางทีลมหายใจจะปรากฏเป็นอะไรไหวๆขึ้นมา แล้วก็รู้ว่าอวัยวะที่ไหวนั้นเป็นส่วนของท้องหรืออกทั้งเห็นลมทั้งเห็นร่างกายแยกเป็นส่วนๆและทั้งลมทั้งกายนั้นก็แยกเป็นส่วนๆกับสติสัมปชัญญะที่ตามรู้ตามดูอีกชั้นหนึ่งตรงนี้จิตกับกายก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่หากไม่ละความเพียนเสกก่อนก็จะเข้าสู่พัฒนาการลําดับต่อๆไปเรื่อย มีสัมปชัญญะโดยความเป็นวิปัสนาเมื่อมีสัมปชัญญะอยากถูกต้องสักพักเดียวก็จะเกิดความตรหนักว่าแท้จริงสภาวธรรมเช่นการเคลื่อนไหวนั้นมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาเปลียนแตลปกติจิตของคนทั่วไป ไม่อยู่ในสภาพที่จะรู้ได้หน้าที่ของเราไม่ใช่สร้างเพิ่มหรือลดความเคลื่อนไหวลงแต่เป็นการปรับสภาพเจ็ดเสียใหมให้พร้อมรู้การปรับสภาพคือสมถะส่วนการรู้ตามจริงคือวิปัสสนาภากมุมมองความเห็นหรือที่เรียกว่าทิฏฐิมีความสมบูรณ์อยู่ก่อนหน้ามาบวกกับสติสัมปันธัญญะอยู่พร้อมและพึงใจเฝ้าดูอาการเป็นไปในทางกาย ก็ย่อมเกิดความประจักษ์ในลักษณะอย่างรู้ที่เรียกว่ายานเป็นผลธรรมดายังไรก็ตามหน้าตั้งข้อสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องนั้นย่อมมาซึ่งรถแห่งวิเวก ท, ที่ให้ประสบการณ์ภายในแปลกประหลาดไปกว่าเคยเพราะรถนี้เกิดแก่สภาวะละเอียดอ่อนของจิตไม่ใช่รถอันเป็นผลลัพธ์แห่งพัสสะกระทบภายนอกอันน่าเสี หน้าลิ้มลองแบบหยาบหยาบบางครั้งทั้งยังเลืงตาทั้งยังเคลื่อนไหวเป็นปกติทุกอย่างจิตอาจรวมลงสว่างสวัยกว้างขวางจากประมาณที่ถึงไร้ประมาณก็เกิดความรู้ชัดเข้ามาในรายละเอียดต่างๆของกายโดยไม่ตั้งใจหรือเกิดปิติสุขในระดับที่เป็นทิพย์หรือเกิดความสว่างโล่งเมื่อกายเห็นผัสสะ ต่างๆหายไปเหล่านี้จะรวมยอดไว้ทีเดียวในบทที่สิบเจว่าด้วยอนิสงค์ของมหาสติปัตฐานเมื่อเกิดประสบการณ์เหล่านี้ เป็นครั้งแรกย่ำนำมาซึ่งความดื่มดังลึกซึ้งจะว่าไปก็เป็นผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพติตอย่างเหลือขนานนับไม่มีร่องรอยของผลเสียใดๆปรากฏให้เห็นในเมื่อสีหน้าสีตาที่ผ่องใส ย, ยิ้มแย้มและไม่ถือสาหาความไกลทั้งโลกจะหลับจะตื่นก็เป็นสุขไปหมดงานการก็ไม่ได้เหลวหลายตรงไหนจึงชวนให้หลงรู้สึก ไปว่าภาวะแสนดีอย่างนี้เองคือผลอันเป็นสุดยอดของการภาวนาเมื่อภาวนาอย่างถูกต้องมาถึงจุดนี้จิตก็จะติดลมเพราะมองไม่เห็นความจำเป็นใดๆต้องถอยออกมาจากความเป็นเช่นนี้ถ้าดูเผลอเหมือนได้ผลการปฏิบัติถูกต้องตรงพุทธประสงค์ทุกอย่างกิเลสก็เบาหรือเหมือนไม่มีจะอยู่หรือตายไม่มีอ น, นิจจะไม่มีอินังขังขอบ แถมเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งจากตนเองและคนอื่นว่าเป็นผู้ไร้ทุกข์ในกิจพระศาสนาก็น่าจะจบแต่อย่างที่กล่าวไว้ในบทที่ห้าว่ากิเลสนั้นมีทั้งระดับจอนมายับยาบที่เรียกอุปกิเลสกับทั้งในระดับฝังลึกนอนเนื่องอยู่ในทัาสันดานที่เรียกอนุัยหากไม่ทำความเข้าใจไว้อย่างดีแต่เริ่มต้น ก็จะไปติดกับรถสุขแห่งการภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างง่ายได้เส้นแบ่งบางเฉียบ ร, ระหว่างภาวะศักแต่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งมาดับแล้ววางลงกับสภาวะศัก์แต่เชื่ออยู่กับสุขโดยไม่รับรู้สิ่งใดทั้งสิ้นนั้นเป็นเรื่องยากจะชี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเว้นแต่ผู้ภาวนามีประสบการณ์ทั้งสองด้าน จึงอาจสามารถสังเกตแยกแยะถูกฉะนั้นสำหรับผู้ภาวนาที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่จิตทำท่าจะคงที่เหมือนรู้สติแต่มีสัมปชัญญะเองโดยไม่ต้องประคองรักษาก็ควรประกันความปลอดภัยให้ตนเองจากการหลงทางหรือการถูกล่อให้เควจากลายแทงขุมทรัพย์แท้ โดยสำรวจตนเองว่าเมื่อได้สัมปชัญญะจนเกินความวิเวกแล้วจิตมีปกติพึงใจเท่าทันอิรียบทใหญ่และน้อยหรือมีปกติพึงใจเสร็จความดื่มดำในสภาวะภายในมากกว่ากันจิตย่อมถอนจากความรู้สึกว่างโล่งหรือไม่ถ้าไม่ถอนก็สอว่าอาจจะแช่อยู่กับสภาพจิตติดที่วิเวกเกินไปตรงนั้นคือถูกล่อลวง หรือขวางทางไปสู่ขุมทรัพย์เข้าแล้วฉะนั้นขั้นของการรู้เอียบุติริยาบทย่อยโดยความเป็นกายในกายย่อมสลักสำคัญไม่ควรประมาทไม่ควรละเลยที่จะฝึกฝนให้เกิดความแจ่มแจ้ง ก่อนพัฒนาเป็นรู้ที่ลึกซึ้งทั้งในรูปและในนามอย่างละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างดูความขยับเคลื่อนไหว ย, ยิบย่อยต่างๆตามที่สุดมาและตามรู้เองงนย่ามสติสัมปชัญญะทรงตัวแล้วและพิจารณาว่าสักแต่เป็นเกิดรยาไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนผู้ครอบครองอิริยาบถ ย่อยเหล่านั้นจิตจะมั่นคงอยู่ในความเห็นถูกต้องยิ่งกว่าความเห็นในอิริยาบถบับที่เจรณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างเมื่อเกิดสัมผัสภายในตนชัดเจนแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวปลิดย่อยประเภทต่างๆในผู้อื่นด้วยความเห็นว่าศักด์แต่เป็นกิริยาเหมือนเช่นเดียวกับที่เห็นในตน พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างความเห็นพร้อมว่าทั้งในกายฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งในกายฝั่งโน้นสัตว์มีกิริยาเคลื่อนไหวอาจเกิดประสบการณ์หรือความรู้สึกภายในขึ้นได้หลายๆประการที่จุดนี้ความสงบสุขแห่งจิตอันเกิดจากการอบรมสมถะไว้ดีแล้วเป็นกําลังหนุนสําคัญ หากเห็นในเวลาที่สั้นเกินไปและด้วยจิตที่ไม่นิ่มนวลผ่องสายพอก็อาจจะเกิดความกลัวอาการเห็นชัดละเอียดยิบเหมือนชมภาพยนตร์สยองขวัญสโลโมชั่นที่แห้งแรงแต่ถ้าจิตมีความมั่นคงมาตามลำดับก็จะดูเหมือนดูภาพยนตร์บันเทิงที่ฉายด้วยความเร็วปกติเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ฉุดจิตฉุดใจให้ลง สู่ความดึงดูดติดลงตรงข้ามจะพิจารณาเห็นโทษเห็นภยัยกายใจใน แ, แง่แห่งกรรมไม่ว่าจะนั่งฝั่งเราหรือฝั่งเขาพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างดังกล่าวแล้วในข้างต้นของบทว่าเราจะไม่รู้ชัดในความเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวเปลี่ยย่อยถ้าขาดความรู้ตัวในอิริยาบุตร พื้นฐานใช่ก่อนลักษณะที่เราเห็นความเกิดขึ้นนั้นต้องอยู่ในระดับไหวทันณจุดของเวลาที่เริ่มการขยับถ้าเราขยับเพื่องอหรือเหยียดแขนข้างเดียวใจต้องรับรู้อาการเหยียดข้างเดียวนั้นแต่ถ้าขยับเพื่องอหรือเหยียดแขนพร้อมทั้งสองข้างใจก็ต้องรับรู้ความงอและเหยียดของแขนทั้งสองข้าง เห็นเป็นความเกิดขึ้นในชุดเดียวกันพิรณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างเมื่อความเคลื่อนไหวหนึ่งหนึ่งสิ้นสุดลงหากไม่มีความรู้ในอุรยาบทใหญ่มารองรับ ก, ก็จะขาดการเปรียบเทียบระหว่างการตั้งอยู่กับอาการดับไปการเห็นความเสื่อมในความเคลื่อนไหวเปลี่ยนย่อยนั้นแรกๆจะมาในรูปของการเปรียบเทียบว่าอย่างนี้ขยับไหว อย่างนี้กลับมานิ่งรูปความเคลื่อนไหวที่ปรากฏในใจก็ต้องแตกต่างกันพอสมควรแต่เมื่อรับรู้จนคุ้นด้วยสัมปชัญญะอันเป็นธรรมชาติการเห็นความจากไปของเรียบุทย่อยอยู่ในรูปรู้ความเสื่อมจริงจริงก็คือเห็นเข้าไปในขณะการนับถอยหลังสู่การสิ้นสุดรู้ว่าจะต้องสิ้นสุด กระทั่งเห็นว่าสส้นสุดลงจริง ๆ, ๆการพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมลงของอิริยาบถย่อยจนคุ้นก็ย่อมเห็นเข้าไปในแต่ละขณะว่า มีอิริยาบถย่อยหนึ่งเกิดขึ้นในความเสื่อมไปอีิริยาบถย่อยหนึ่งเสมอเมื่อรู้เห็นดังนี้เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายนี้ก็เพียงศักแต่ว่าเอาไวร้รู้เพียงสักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกล้าภิกษุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลพิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอขั้นนี้ภาวะมีกายอยู่เพียงสักแต่ว่าอาศัยรู้อาศัยระลึกนั้นจะเริ่มปรากฏชัดขึ้นที่ผ่านานมาเมื่อเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านรำคาญในใจด้วยกิเลส ข, ข้อไหนๆเพียงระลึกเข้ามาในอิริยาบถบอ่อยอิริยาบถย่อยก็ปรากฏเป็นอิริยาบถใหญ่ จิตแทบจะตัดกระแสความฟุ้งซ่านขาดทันทีมโนภาพอัตตาผู้เป็นเจ้าของกายหรือเป็นเจ้าของคาพูดจะเหอดหายไปพัฒนาจากชั่วครู่สั้นนานขึ้นไปเป็นครู่ยาวและยาวขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเหมือนสักแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวชนิดช้าหรือเร็วเรียบง่าย หรือว่าสลับซับซ้อนก็ตามเมื่อฝึกถึงขั้นที่สักแต่เห็นว่าความเคลื่อนไหวในกายทุกชนิดสักแต่เห็นภาวะหนึ่งเกิดขึ้นดับดับไม่ต่อเนื่องเป็นก้อนเดียวกันหรือเป็นตัวเดียวกันเหมือนเห็นกายแต่ละขณะถูกแบ่งขั้นเป็นต่างหากจากการด้วยว่วงเวลาคนละส่วนก็จะปลอยเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มีความเป็นเช่นนั้นด้วย ถึงขั้นนี้ก็จะทราบเองว่าการฝึกสติปัฏฐานสี่นั้นมีความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของกายใจนี่เองตั้งมุมมองและตั้งทิศทางไว้อย่างไรเมื่อเห็นอะไรอย่างหนึ่งชัดก็จะเห็นส่วนที่เหลือชัดโดยความเป็นเช่นนั้นตามกันสรุปการมีสัปพัญญะนั้นตามนิยามทั่วไปแล้วก็คือความไม่เผลอแต่ธรรมชาติของจิตต้องมีหลักมีฐานให้รู้ หรือเกาะ อ, อยู่จึงจะเกิดสัมพัญญะไม่ใช่ว่าสูตรสำเร็จในการทําให้จิตอยู่ในภาวะไม่เผลอและต้องรู้อะไรก็ได้ใน บ, บัดนี้พระพุทธองค์ก็ให้ใช้ความเคลื่อนไหวปริกย่อยทางกายเป็นเครื่องกาะและเครื่องเลี้ยงสัมพัญญะนั่นหมายความว่าผู้ปฏิบัติที่ผ่าน บ, บัดนี้จะเริ่มเกิดประสบการณ์ภายในแบบระเอียดทันแงของความเห็นรูปธรรมที่ปรากฏ และในแง่ของความเห็นรูปธรรมนั้นเป็นของเกิดดับยิบย่อยเมื่อทำได้ถึงขั้นนี้ก็แปลว่าฐานของสติเริ่มมั่นคงจิตใจเริ่มมีคุณภาพในการรู้ชัดเห็นละเอียดและเกิดความสว่างสวายตามธรรมชาติของจิตที่รู้กระจ่างอย่างต่อเนื่องแทบกล่าวได้ว่าไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรดูเป็นกิเลสกำลังอีกต่อไปในมหาสติปัฏฐานสูตร ทั้งหมดระยานอย่างรู้ทุกชนิดต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้เองเป็นพื้นยืนเมื่อทิฏฐิที่สมบูรณ์มาผนวกเข้ากับสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ความพร้อมสองรู้กายใจโดยความเป็นไตรลักษณ์ก็อยู่แค่เอื้องเมื่อความสามารถรู้กายใจโดยเป็นความไตรลักษณ์แก่กล้าขึ้นก็เข้าถึงธรรมะระดับสูงต่ อ, ตอไป ก็จะรออยู่แค่รำมารอบกายานุปัสสนาปฏิกูลมนสิการ บ, บัพุทธพทโดกราพิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือพิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบเป็นด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือขนผมเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสรหน้องเลือดเงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะ ดูกรพิกษุทั้งหลายเปรียบเทียบไทยมีปากสองข้างเต็มด้วยธั ญ, ญาชาติต่างๆชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขีย ว, ถ, ว, ยวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีในตาดีแก้ไทยนั้นแล้วพึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าว เ, เปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไกรกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดาตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดน้องเลือดเงือมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูก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 พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเธอย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงศัตวว่าเอาไว้รู้เพียงศัตวว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิกฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูกะละาพิสูจน์ทั้งหลายด้วยอาการปฏิบัติอย่างนี้แล ทิสุขชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอบัพที่ผ่านมาเป็นการปลูกฝังสติให้รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวทางกายขณะนั่งสมาธิคืออนาปาณบัพเดินจงกรมอิริยาัธบักและการเคลื่อนไหวทั้งปวงในชีวิตประจำวันสัพพัญญาบัพหากทาอย่างถูกต้องก็จะเห็นกายเหมือนหุ่นให้สัก ให้ว่าสักแต่ว่ารู้ความรู้สึกเกี่ยวกับกายยังจัดว่าหยากอยู่ยังไม่เข้าถึงรายละเอียดอันจะขุดแทะกิเลสเครื่องผูกจิตไว้ให้หวงแหนกายหากเราพิจารณากายตามพระพุทธบาลอย่างดีก็จะกำจัดความติดในกามด้วยปฏิกกลมนสิการบับในบทนี้กำจัดความหมาย มั่นว่ากลายเป็นเนื้อเดียวก้อนเดียวด้วยธาตุมนสิการบัพในบทที่8และกําจัดการถือเข้าถือเราด้วยนวสีวิธกาบัพในบทที่9ความหมายของปฏิกูลคือสกปรกน่ารังเกียจในที่นี้ร่างกายมนุษย์คือเป้าหมายร่างกายคือสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่ารักใกล้ แออัดด้วยก้อนเลือดก้อนเนื้อโสกโรกยิ่งกว่าขยะในทั้งมีความหมายอันเดียวกับอสุภะพระพุทธเจ้าทรงให้มนสิการซึ่งมีความหมายว่าการกำหนดไว้ในใจหรือใส่ใจพิจารณาความสุขปรกที่มีอยู่และจริงๆนั้นเราอาจเรียกปฏิโกณมนสิการอีกอย่างว่าอสุภกรรมฐานก็ได้อสุภะแปลว่าสภาพที่ไม่งาม กรรมฐานแปลว่าอุบายทางใจในการพิจารณาโดยความเป็นปฏิโกนนั้นพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่กำหนดรู้ได้32อย่างนับตั้งแต่ผมขนเล็บเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปัสสวะซึ่งจะเห็นว่าบางอย่างเป็นอวัยวะทว่าอย่างเป็นส่วนประกอบของร่างกายตามคุตตะปาถะในพระสุตตันตปิฎกเก่มที่เจ จะรวมกันทั้งหมดเรียกอาการ32และเพื่อความสะดวกกระชับต่อไปเมื่อต้องกล่าวถึงส่วนประกอบ32อย่างถูกต้องอันถูกพิจารณาเป็นปฏิโกณ น, นี้ก็ขอรวบรัดเรียกว่าอาการ32เช่นกันอันหนึ่งถ้าใครลองนับดูของไม่สะอาดตามเนื้อความด้านบนที่ยกมานี้จะเห็นมีอยู่เพียง31ขนาด คือสาิเอดขาดไปหนึ่งไม่ครบอาการสาสองเพราะว่าตัดมันสมองทิ้งไปทั้งนี้ก็เพราะว่าตามบาลีเดิมท่านนับรวมมันสมองเข้าไปเป็นอันเดียวกับไขกระดูกซึ่งหมายถึงเนื้อส่วนในของกระดูโดยถือว่าสมองก็เป็นเนื้อในกระดูกกระโหลกนั่นเองทางการแพทย์นั้นไขกระดูจะหมายเอาเนื้อที่อยู่ในกระดูยาว เช่นแขนหรือขามีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดและแม้กระดูกวัยเด็กก็จะมีไขกระดูกชนิดเดียวกันนั้นอยู่ด้วยแต่พอโตไขกระดูกในกระโหลกจะฟ อ, อกไปซึ่งหมายถึงแยกชัดว่าไขกระดูกเป็นคนละเรื่องกับสมองเนื่องจากสมองไม่ได้สร้างเม็ดเลือดประมวลแล้วดังนั้นสําหรับหนังสือเล่ม น, นี้จึงถืออาการ32แห่ง คุตกะปะะเป็นเกณฑ์เพราะนอกจากจะถูกต้องตามจริงแล้วในทางปฏิบัติยังเห็นสมองและไขกระดูกแยกเป็นต่างหากจากกันได้ด้วยคอย้ําอีกครั้งให้เข้าใจว่าบันทึกตามบาลีนั้นบางครั้งไม่ได้บันทึกที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ครบถ้วนทุกคาเช่นตัวอย่างในที่นี้คือบันทึกความเข้าใจไขกระดูกหรือเยื่อกระดูกนั้นเป็นอันเดียวกับสมองเป็นต้น จุดประสงค์ของปฏิกูณมนุิกการบับในอุทายีสูตรอนุตริยวัค์ที่สามพระอนนุ์ผู้ได้ชื่อว่าทรงจำพุทธพจน์ไวมากที่สุดกล่าวต่อเบื้องพระพักของพระาศาสดามีใจความตอนหนึ่งว่าภิกษุยึดพิสุจนนั้นย่อมพิจารณาเห็นกายนี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มห่อเต็มด้วยสิ่งไม่สะอาด มีประการต่างๆว่าในกายนี้มีอาการสามสิบสองข้าแต่พระองค์พู้เจริญ น, นี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุจเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะสรุปคือการฝึกในแบบปฏิกูลมนสิการแบบนี้ถ้าหากทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อละกามราคะและโดยนิยามของการราคะในขอบเขตของบทนี้ ก็จะมุ่งเอาเศษกามหรือรวมเพศประสามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักจะนับด้วยภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตา่างและขอให้สังเกตจุดนี้ดีๆ ด, ด้วยว่าต้องทำให้มากคือทำให้ต่อเนื่องนั้นแตกต่างกับทำเดี๋ยวเดียวทำชั่วครู่ชั่วคราวอันจะปรากฏผลแค่วุบวับ ผิดการคนละเรื่องกับความเพียงในระยะยาวฉะนั้นถ้าจะให้ถึงเป้าประสงค์ของปฏิโกณมนาสิการบัพก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นของที่ต้องมุ่งมั่นทำกันอย่างจริงจังจนกว่าจะได้ผลอันเป็นสิ่งตามมาเองหลังจากประกอบเหตุที่สมควรไว้พอเพียงแล้ว